ชาการไฟฟ้าเป็นไงบ้างคิดถึงบ้า น, น <c oughs> ยังดื้อไหมรุ่นนี้ไม่ดื้อนะพอไหวไหมใ <c oughs> นหลวงพ่อถามเพื่อให้ทีมไฟฟ้าใจเต้นาาจะได้เรื่องหรือจะไม่ได้เรื่องนะค่อยๆเรียนนะ ไม่ขี้เกียจแต่ไม่ใจร้อนไม่ขี้เกียจไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็หมดเวลาละหมดเวลาคือตายละถ้าไม่ตายก็รอแร่สังขารไม่อำนวยหรืออายุมากไปอายุมากไปพอนานลำบากลนะสมองมันเริ่มเสื่อมวันวันนั่งเฉยเฉม่เชัาจะเบลอเบลไปงั้นยังมีเรี่ยวมีแรงมีกาลังรีบฝึก อย่ารอว่าเจ็บหนักแล้วมาถามกรรมฐานนะต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ตอนหลวงพ่อเข้าวัดจริงๆนะเข้าไปหาหลวงปู่ดุลยะครูบาอาจารย์วัดป่านะอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเข้าไปตามวัดเนี่ยพวกคนอยู่ในวัดเรียกหนูโมเรานี่หนูยักษ์นะแต่แต่ก่อนตัวผอมนะผอมผอมแบบนี้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 จริงๆก็เด็กในทางธรรมะบนะุตรที่ภาวะน้อยใจไม่ถึงหรอกนี่ปรามาตไว้ก่อนนะได้เกิดกำลังใจหน่อย <c oughs> พวกเหย่ะเยาะแยะแยะเรียนอะไรที่รู้สึกว่าต้องลงทุนลงแรงนะไม่ค่อยเอาคนยุคเนี้ใจสอดหลวงพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันหนึ่งพวกธุรกิจเขาให้เหตุให้วิเคราะห์พวกเด็ก จบมหาวิเย์ออกไม่เอาไหนเด็กมหาวิเลยหรือเด็กคนรุ่นใหม่ๆนะพูดได้หลายภาษาโยเว้นภาษาคนไม่มีความอดทนนะทำงานลำบากนิดหนึ่งไม่เอาละออกละไปหา ง, งานใหม่ทำเนะนี่ยนิสัยอย่างเนี้ยเอามาภาวนายากที่สุดเลย <c oughs> เาการภาวนานต้องจริงจัง ไม่ใช่ยาะเหยาะแยแยสามวันนเปลี่ยนไปแล้วไม่เอาแล้วเขาทํากันแตมปีนะแตมปีนี่พูดแบบให้กําลังใจละ <_ A> ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมาท่านสอนเลยว่าการภาวนาทํากันทั้งชีวิตเลย <_ A> ทุ่มเทกันทั้งชีวิตเลยลคนที่จะทําอย่างนั้นได้จะต้องรู้ว่าชีวิตเรามีอยู่เพื่ออะไร <_ A> งานหลักในชีวิตของเราคืออะไร <_ A> ถ้าคิดว่างานหลักของเราคือกินกามเกลียด สืบพันธุ์แล้วก็กินกินนอนๆอนหาชื่อเสียงหาอำนาจหาอะไรไปวันๆพวกนี้ไม่มีเขียรจิตกระจายจะภาวนาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายสูงสุดนะคือความพ้นทุกข์เห็นไหมเราจมอยู่ในความทุกข์เราจมอยู่ในไฟกําลังท่วมหัวอยู่นะถ้าเราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะความทุกข์รอบตัวเลยตัวเองก็ทุกข์นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันทุกข์ไม่ทุกข์มันก็ทุกข์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 แผลลามไปเรื่อยๆยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีหรือไฟไหม้บ้านนะยิ่งดับได้เร็วยิ่งดีทิ้งไว้นานไม่ได้ชีวิตน่ยมีจํากัดคนคนหนึ่งจะอยู่สักกี่ปีทําไมจะต้องนอนจมความทุกข์ไปจนแก่จนตายทําไมไม่พากเพียรปลูกตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้ปลดเปลื้องตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ถ้าคนไหนนะมีสติปัญญา ก็จะไม่ประมาทรู้ว่าชีวิตมันมีแต่ความทุกข์ความสุขเหมือนภาพดวงตาความสุขคล้ายๆตอนเปียแชร์ได้นะสังเกตดูความทุกข์คือหลังเปียแชร์นะ <Yeah. S 1> เวลาเราอยากได้อะไรใช่ไหมเราได้มาแวบหนึ่งมีความสุขอยู่แวบเดียวเนี่ยเราก็อยากอย่างอื่นแล้วเราก็ตู้อีกแล้วเนี่ยใจเราเนะี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยเพราะกิเลสมันผลักดันนะ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 อาบน้ําทาปแป้งเอาผ้ามาคลุมผมไว้เพาะมผ้าอุ่นๆนะเขามาทาปแป้งเข้ามารูปลายนี่นะบอกเซลล์เกิดขึ้นแล้วนี่แหละกูละกูละเห็นไหมเด็กเล็กๆก็มีนะพวกเราความจําไม่ดีเราก็เลยไม่รูนะ้นี่คนนี้เข้าความจําดีเขาบอกว่าพอมีคนมาอุ้มมาอาบน้ํามาทาปแป้งมาปลนิบัตินะรู้สึก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 ผู้ใหญ่ก็บอกให้น้องเธอให้น้องเธอได้มาแะตัวกูก็พองขึ้นอีกนี่แหละกูชนะพวกมึงละนี่เขาไม่เล่าให้พี่ๆน้องๆฟังแล้วมันเล่าให้หลวงพ่อฟังภาวนาเก่งนะภานาสติเขาเกิดมาทียิบเลยเพราอนจริงๆนะกิเลสเนี่ยทํางานทั้งวันทั้งคืนไฟท่วมหัวเราตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วถ้าเราไม่เคย รู้ทันแล้วก็จะจมอยู่ในความทุกข์ตอนเด็กๆยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่ตั้งแต่วันนี้ไปหัดรู้ที่หลวงพ่อสอนหรือที่พวกพี่ๆวิทยากรน้องๆวิทยากรเขาบอกให้นะก็คือวิธีที่จะรู้กายรู้ใจนะั่นเองหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจใจลอยมาม า, มากแล้วต่อไปนี้อย่าใจลอยนานให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้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 ต้องมาเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นทําทวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นสติปัฏฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจริงๆเหลื่อมกันนิดนึงในสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเนะฉะนั้นถ้าพูดให้ถูกต้องแท้ๆก็คือต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลักของการทําวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นแรกเลยมีสติรู้กายรู้ใจนะที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่เป็นกลางจำได้ไหมจำไม่ได้ไปอ่านวิถีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชั่นสองวิถีแห่งความรู้แจ้งสองเวอร์ชันสองนี่มีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเขียนตอนที่อยู่สวนโพเวอร์ชั่นหลังก็เขียนตอนอยู่สวนโพมั้งแต่สวนโพ ป, ปีหลังๆความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนเดิม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 ตรงที่รู้ว่ารู้อะไรนัเป็นสมมูลบัญญัติจิตตกจากวิปัสสนานะเพราะงั้นเวลาที่พวกเราหัดรู้สภาวะนะให้รู้สภาวะเข้าไปตรงตรงรู้แล้วไม่ต้องไปสมมติบัญญัติต่อแต่ถ้าจิตมันจะสมมติบัญญัติของมันเองห้ามมันไม่ได้เช่นพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตมันก็บนขึ้นมาโโกรธอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้มันพูดเองไม่เป็นไรแนตะ่พอมันโกรธขึ้นมาโกรธนอโกรธเนออย่างนี้ใช้ไม่ได้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 หร Maori, 네ือโกรธขึ้นมานอยากให้หายโกรธไม่เห็นว่ Hoy, terrace, Help, ixes, iten, fire, น er, าอยากให้หายโกรธโกรธเนอโกรธเนอหายโกรธแล้วดีใจนอย่างนี port, ้เรียกว่าไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั SK ้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แล้วก็ไม่มีดูไปอย่างนี้วันหนึ่งจิตมันยอมรับนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปจิตก็จะหยุดการดิ้นรน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 พอยอมสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้รรรจริงจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งจิตหมดการแสวงหาจิตหมดกริยาอาการทั้งหลายจิตรวมเข้าอปนาโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรวมแล้วอริยามรรคจะเกิดขึ้นนะอริยามรรคจะเกิดขึ้นอริยามรรคเห็นนิพพานนิพพ า, านเป็นสภาวะที่หมดความอยากเรียกว่าวิราคะนิพพานเป็นสภาวะที่หมดความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร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 ไปทานข้าวนะทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์